ตอนทุกสิ่งคือมายากาบนมรส ก, การพระคุณเจ้าคุณไม่ชีกัลยยมิตรทุกคนนั่งสบายๆเนาะไม่ไม่พูดว่าอาทิตย์หนึ่งเร็วมากต้องพูดว่าเสาร์หนึ่งเร็วมากเมื่อกี้นี้นั่งรถมาแก้วบอกพ่อครูวันนี้บรรยายนะบอกเอาอีกแล้วพ่อครูยังไม่รู้แล้วเป็นวันเสาร์มาอยู่ที่นี่ไม่มีวันไม่มีเวลา มีคำพูดละมันลงคำที่เวลาเมื่อกี้นี้แกบอกจะพูดเรื่องอะไรบอกยังไม่รู้โอเคเมื่อกี้มันลงท้ายด้วยเวลาทำไมไม่อยากฟังเหอเวลานะ <c oughs> เวลามันคืออะไรธรรมชาติมีเวลาไหมเห็นไหม ทั้งหนึ่งบนโลกนี้มีมนุษย์คนหนึ่งนี่ไปค้นพบระบบนาฬิกาเวลาก็เกิดขึ้นและจากวันนั้นจนถึงวันนี้มนุษย์เราทุกคนก็เป็นจะเป็นว่าเป็นทาตฟังแล้วคำว่าทาตเราไม่ไม่ค่อยไม่ค่อ ย, ไ ม, อยไม่ค่อยชอบแต่ไม่รู้จะพูดยังไงกบบเป็นแล้วก็ติดอยู่กับเวลา ชีวิตเราอยู่ในเงื่อนไขเวลาหมดตื่นกี่โมงเดืนกี่โมงทำงานกี่โมงเสร็จกี่โมงเสร็จเมื่อไหร่วันไหนวันเดือนปีนี่ก็เป็นเวลาจริงแล้วธรรมชาติไม่มีเวลาแบบนี้แต่มนุษย์สร้างกรอบนี้ขึ้นมาบล็อกตัวเองอันนี้เป็นเรื่องที่ติดแน่นเลยโดยทุกคนชล่าใจไม่รู้ตัวว่าชีวิตเราผูกกับเงื่อนไขเวลา พระครู4ี่สิบปีวิ่งไปตามโลกนะยิ่งทำงานยิ่งสร้างสรรยิ่งไม่มีเวลาเราไม่มีเวลาให้กับชีวิตเลย <c oughs> เห็นไหมเราเราเราเป็นทาสของมันแต่ยี่บห้าปีมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็ไม่มีเวลาเหมือนกันแต่ไม่มีเงื่อนไขเวลา <c oughs> เวลาควบคุมพระครูมไม่ได้ เราอิสระจากมันเห็นไหมสมัยก่อนเราไม่มีเวลาเพราะเราเป็นทาสของมันเราเองไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลยไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวไม่มีเวลา อ, อ, อยู่กับตัวเองนะมีแต่เวลาเวลานั้นน่ะมันมีแต่เวลาเอาสกิดส่งออกไปสร้างไปแก้ปัญหาของนอกกาย เราก็เลยเป็นคนไม่มีอิสระเราเป็นทาตเวลาอันนี้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นกลายเป็นปกติของวิถีชีวิตมนุษย์แล้วก็คือเรื่องเงินก็โลกใบนี้เหมือนกันครั้งหนึ่งมีมนุษย์คนหนึ่งเขาคิดระบบเงินสมมติเอากระดาษสมมติเอาดีบุก เอาอะไรเนี่ยมาทาเป็นก้อนเป็นเหรียญอะไรก็บอกว่ามันคือเงินนะมันหมายถึงเงินเพราะหลังเดียวกว่ามันนี่เพื่อเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนวัตถุแม้กระทั่งความรู้ตอนนี้ต้องเอาเงินซื้อเอามความรู้คนพบปุ๊บก็กลายเป็นลิขสิทธิ์จดทะเบียนลิขสิทธิ์เพื่อซื้อเพื่อขายกันให้ความรู้กันไม่ได้ละนะ เพราะว่ามันกลายเป็นเงินสองอย่างนี้เนี่ยราติดอยู่กับตรงนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวเราก็เลยไม่มีความอิสะระลองพิจารณาดูนะสองอย่างนี้เนี่ยแต่หลังจากพวกครูย5้าปีก่อนมันเกิดเปลี่ยนแปลงครั้งชีวิตครั้งใหญ่มันเกิดระเบิดแล้วเนี่ยเราอิสระจากสองอย่างนี้ ความรู้สึกเราเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งคล้ายช้อนส้อมเหมือนเรามีเราก็ใช้มันใช้มันมากินข้าวไม่มีเราก็เอามือกินเองโดยเฉพาะคนอีสานเราเนี่ยไม่ต้องใช้ช้อนส้อมอาหารอีสานคือข้าวเหนียวไแต่ทุกวันนี้เนี่เงินมันกลายเป็นเครื่องมือกลายเป็นพระเจ้ามันทำให้คนเราขัดแย้งกัน พี่น้องครอบครัวเดียวกันพ่อแม่หาเงินงกๆเพื่ออยากให้ลูกอยู่สบายพอบังเอิญเกิดอุบัติเหตุพ่อแม่ยังไม่เตรียมอะไรไว้เสียชีวิตไปก่อนเงินที่เราหาว่าให้เขาเนี่ก็กลายเป็นเครื่องมือในการทะเลาะบ่แย่งกันฟ้องกันตีกันฆ่ากันเราเป็นทาสของมันโดยเราไม่รู้ตัวเพราะว่ามันทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยมีเงินแล้วเนี่ ซื้อได้ทุกอย่างเนลมิตได้ทุกอย่างใครบอกว่ามันเป็นสิ่งสมมุติมันจริงมันจริงมันจริงหรือเปล่าพอครูมาจากอเมริกาใหม่ๆตอนนั้นเงินอเมริกันหนึ่งดอลลาร์เทียบเท่ากับเงินไทยยี่สบห้าบาทพอปีสี่ศูนย์เศรษฐกิจไม่ดีปุ๊บมันปุ๊บห้าสิบาทต่อหนึ่งดอลลาร์ถ้ามันเป็นของจริงเนี่ย กี่กีล้านปีก็ไม่ต้องเปลี่ยนที่ผู้เจ้าบอกคนเราเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นความจริงทำดีๆทำชั่ววนี่เป็นความจริงค้นควา้าวิจัยทดสอบแบบไหนก็ช่างมันก็เหมือนกันเหมือนเหมือนอาจารย์อ้อยเรียนวิทยาศาสตร์ตอนนี้เราคุยกันเยอะแกก็บอกเออวันก่อนอยู่ๆก็เดินมาพคขูเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจร ะ, ะดับหนึ่ง ว่าสิ่งที่พระครูทําหรือสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยมันพูดว่าเชื่อไม่เชื่อบางคนถามอ้อยว่าเชื่อไม่เชื่อไหมอ้อยบอกไม่เชื่อบางทีเขาไม่พอใจว่าทําไมไม่เชื่อนะแกบอกให้เข้าใจแล้วเพราะว่าที่บอกไม่เชื่อเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเชื่อไม่เชื่อมันคือความจริงเหมือนวิทยาศาสตร์นี่ยพิสูจน์กันแล้วว่าถ้าน้ํามันเดือดร้อยองศาเนี่ยถ้าน้ําร้อนถึงร้อยองศามันจะเดือด ไม่เชื่อลองพิสูจน์สิมันเดือดทุกทีอีกกี่ล้านปีมันก็เดือดอันนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้อันนี้แหละคือความจริงแต่เงินทองเนี่ยไม่ใช่ความจริงแม้กระทั่งเวลาที่มันสมมุติขึ้นเนี่ยเห็นไหมมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยนะมันไม่ใช่ตายตัวนะนะปฏิทินจีนปฏิทินไทยนะมันไม่คงที่มันเป็นสิ่งสมมติ มนุษย์เราไปติดกับสมมุติที่เราทุกๆวันนี้เราสมมุติพราะครูเคยพูดว่าพ่อก็สมมุติแม่ก็สมมุติลูกก็สมมุติมีคุณลุงคุณป้านะที่เราเรียกว่าคุณลุงบีเอ็มนะแกไม่มีลูกเป็นข้าราชการเกษรรียณมาอยู่กับเราไปๆมาๆคุณป้าแกก็นั่งงงแกบอกว่าเอ๊ไม่ได้ยังไงอย่างพี่น้องแกเนี่ยก็เห็นเห็นมันตั้งทองนะ คุณแม่ก็ตั้งท้องจริงๆแล้วก็เห็นเคลอดจริงๆเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่แม่ไม่ใช่ลูกได้ยังไงมันจริงมันจริงเหรอคนไทยเรียกว่าแม่คนหลังเรียกว่ามา ม, มันเป็นชื่อสมมุติแล้วถ้าเราละลึกชาตินะไอ้ที่เราบอกลูกเราเนี่ยบางชาติเนี่ยเขาเคยเป็นพ่อแม่เราถ้ามันจริงมันต้องเป็นเพราะเราก็ต้องเป็นแม่เขาตลอดเวลา ที่นี่เราเห็นหลายคนเราลึกชาติแล้วพิสูจน์นล้นะสามีแพทย์ปัจจุบันเคยเป็นลูกชายในอดีตมันเป็นมายาอันนี้ลงที่มายาเมื่อวานให้ปุ๊กบอกปะกูรายงานว่าสภาวะธรรมสองวันนี้มันเป็นอะไรไม่รู้มันไปเห็นอดีตไปเห็นเอเห็นเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นสัตว์เป็นอะไรอะไรเฮ้ยมันเป็นมายาทั้งนั้นแล้วชีวิตเราอยทุกวันนี้ก็เป็นมายา แต่เราเราหลงติดความเป็นมายาวว่าเป็นของจริงในสร้างตัวกูของกูขึ้นมาว่ามันเป็นจริงจังมันไม่จริงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายถ้าเป็นของจริงกี่ปีกี่ชาติมันก็ต้องเหมือนเก่านั่นคือของจริงตามธรรมชาติแต่ของที่บอกว่าจริงที่มนุษย์สร้างคือแม้กระทั่งภาษา ก็ครูใช้ภาษาไทยสื่อกันเนี่ยภาษานี่ก็สิ่งสมมุติมนุษย์สมมุติขึ้นมันไม่ใช่มีจริงตามธรรมชาติวิทยาศาสตร์เขาค้นพบความจริงในบางอย่างธรรมชาติความจริงนั้นน่ะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทดสองทดสอบเมื่อไหร่มันก็จริงนั่นแหละคือความจริงแต่ตอนนี้เราไปติดเรื่องเงินกับเรื่องเวลาเงินมันเป็นแค่สมมุติสมัยก่อนเนี่ย บ้านพ่อครูที่อยู่บนนะเป็นบ้านทรงเก่านะเป็นบ้านสองชั้นและชั้นบนเป็นหลังคามีช่องขึ้นไปได้นะพ่อครูขโมยขึ้นไปดูนะนะคุณปู่เขามาจากเมืองจีนเนี่ยเขาเอาของอะไรไม่รู้ไอ้พวกเครื่องโบราณเขาเต็มหมดเลยแล้วพ่อครูไปขโมยเปิดดูนะเอ่เป็นหลังๆๆนะเงินเงินกวนกวงกิมของจีนเลยนะเต็มหมดเลย กลายเป็นกระดาษวันดีคืนดีเขาประกาศว่าเงินเนี่ยกลายเป็นกระดาษเห็นไหมมันเป็นสมมติไงแต่เราไม่ทำลายสมมุติเราอยู่ในสังคมทุกวันนี้เราต้องรู้เท่าทันสมมุติแต่ถ้าเราเป็นทาสของสมมุติเมื่อไหร่เราทุกข์แน่ๆเพราะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกวันนี้เราถูกสอนว่าไม่็ไม่กรทั่งภาษานะเป็นโรค มีมีความรู้สึกไม่ปกติของร่างกายทางวิทยาศาสตร์ทางหมอเขาก็เรียกว่าโรคเ้าตั้งชื่อความไม่ปกตินั้นโรคปวดฟันโรคปวดหัวโรคท้องอืดท้องลตั้งชื่อมาเป็นโรคจริงๆแล้วมันไม่มีชื่อเรียกนะเราตั้งที่เป็นโรคโรคโรคโลโโก็หาวิธีมาแก้ปัญหารักษาโรคพวกครูบอกที reviews, ่นี่เราไม่รักษาโรคนะเราเหี่ยงโรคทิ้ง เี่ยงโรคมันทิ้งรักษามันไว้ทำไมภาษานี่มันจะทำให้เราไม่มีพลังอุ๊ยมีเนื้องอกอุ๊ยมีมะเร็งรักษามะเร็งเหมือนเราเสริมกำลังให้มะเร็งนะเราดูแลมันให้มันอยู่กระใหลกมันอ้วนทนสมบูรณ์ไม่ต้องไปรักษามาันเบี่ยงมันทิ้งแต่ตอนนี้ไอ้คำภาษาเราเราจะรักษา หาเงินมาก็รักษาเงินรักษาทรัพย์สมบัติเอาละพอเก่งมากรักษาไม่มีใครแย่งเราได้เลยมันไม่สูญหายไปไหนวินาทีที่จะจายจากมันเนี่ยทุกแล้วก็ใครจะอยู่รักษาให้ชั้นต่อไปเห็นไหมคําว่ารักษาเรารักษาไม่ได้เอาแค่ร่างกายเราเนี่ยเราจะรักษาไม่ให้มันแก่ได้ไหมไม่ให้เจ็บได้ไหมไม่ให้ตายได้ไหมก็ไม่ได้บมว่านี่คุยกับอาจารย์อ้อยที่ห้องครัว แกบอกพรกูเห็นกันเพรกูเพราะกูอาจารย์อ้อยเคยได้ยินคนโบราณเขาพูดไหมสามวันดีสี่วันไข่แต่บอกเห็นแล้วเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมผลิตวัคซีนใช่ไหมทําไมไม่ผลิตวัคซีนเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองแกบอกควบคุมไม่ได้เลยนั่นแหละวิทยาศาสตร์เก่งไหมก็เก่งจริงก็ควบคุมสิอย่าให้มันเป็นแบบนี้สิแกบอกนั่นละสิ เห็นไมความจริงธรมธรมชาติคือเกิดแก่เจ็บตายเก่งแค่ไหนก็เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แต่บางคนนี่ยังไม่เกิดนะเขาก็แทงแล้วบางคนเกิดมาวันหนึ่งก็ตายแล้วยังไม่แก่ยังไม่มีโอกาสเจ็บด้วยเพราะบุญมีแค่นั้นบางคนเกิดมาแล้วก็มีความมีมีโอกาสสัมผัสความแก่ นะได้เรียนรู้กับว่าแก่เป็นยังไงออบางคนจนถึงแกนะบางเอิญไม่เคยเจ็บอะไรเลยนะบางเอิญเกิดบนเหตุตายเลยนะก็ไม่มีโอกาสสมัมผัสเจ็บตายแบบฉับพลันวินาทีนั้นไม่มีอะไรแก้ไขละถ้าตายเป็นก็ไปสู่สุคติตายไม่เป็นก็ทุกข์มากเพราะเราไม่พร้อมที่จะตายจิตมันบันทึกสัญญาสุดท้ายนั่นไอ้ตัวนั้นเป็นส่งผลให้เราไปเกิดในร่างที่ดีขึ้นหรือเลวลง ผู้เจ้าสอนให้เรารู้ความจริงใช่ไหมหลวงพ่อชาก็สอนให้เรารู้ความจริงมีคนถามท่านว่าหลวงพ่อไม่รู้ภาษาอังกฤษสอนฝรั่งได้ยังไงท่านบอกลูกศิษย์ท่านมีทั้งโลกนะชี้ลูกศิษย์ที่เป็นเยอรมันเขาบอกเอามือจุ่มลงไปในน้ําแก้วน้นําร้อนจุ่มปุ๊บมันก็ร้อนชี้อังกฤษจุ่มมันก็ร้อน คนลาวจุ่มก็เป็นร้อนท่านไม่ได้สอนภาษาท่านสอนให้มันเห็นความจริงพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เรารู้มากสอนให้เรารู้จริงดูแจ้งเห็นจริงมันเป็นทางเดียวที่เราจะพ้นทุกรู้ความจริงตามธรรมชาติเราก็ไม่หลงสมมติบัญญัติไม่ใช่ไปสอนให้เรารู้มากตอนนี้สอนเรียนอ่านท่องจําท่องจําท่องจําจะเป็นด็อกเตอร์นะ จบเรียนก้าวแล้วมานั่งเถียงกันนิพานเป็นอัตตาเป็นอนัตตาอันนั้นไม่ใช่คนรู้จริงเป็นคนรู้มากแบกความรู้หัวโตเลยแทนที่จะเรียนพุทธศาสนาเพื่อให้มันพ้นทุก์ไปเพิ่มทุกให้กับตัวเองไปสร้างอัตตาตัวตวนขึ้นมามันไม่ใช่คําสอนพุทธเจ้าศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเป็นคนดีไม่ได้สอนให้เราเป็นคนชั่ว าศาสนาพุทธสอนให้เราพ้นทุกสถานเดียวพระองค์ไม่ได้สอนอย่างอื่นเลยอเลยสัตสีที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยคือความจริงที่ยิ่งใหญ่สี่ประการคือทุกสมุทยัยนิโรธมรรคสี่อย่างเท่านั้นเองที่พระองค์ตรัสรู้ส่วนแตกแขนงเป็นร้อยเล่มพันเล่มอะไรเนี่ยมันเป็นธรรมะย่อย ธรรมะที่ยิ่งใหญ่มีสี่ประการพระผู้เจ้าพูดแต่เรื่องว่าอะไรคือความทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือหนทางไปสู่การพ้นทุกข์ไม่ได้สอนอะไรสอนแค่พ่ะครูมีเพื่อนพหลังนะสนิทกันมากพอพรอครูทิ้งมันมาหนีมาอยู่ในป่าเขาก็ตามมาถามว่าเอสาศาสนาพุทธทำไมขี้ทุกข์จังเลย อะไรทุกข์กันนักหนาบอกศาสนาพุทธไม่ได้ไม่ได้มองโลกในแง่ลายศาสนาพุทธไม่ได้มองโลกในแง่ดีแต่ศาสนาพุทธมองโลกในแง่ความเป็นจริงเรามีทุกข์เป็นประธานเราก็เลยแก้ปัญหาความทุกข์เลยไปหาความสุขเพิ่มเพื่อเอาความสุขตัวนั้นมากบกเกินความทุกข์เท่านั้นเอง คือสร้างอุปทานใหม่ให้มันสนุกสนานให้มันพอใจให้มันลืมทุกทุกคนทุกหมดทุกตั้งแต่วันเกิดแล้วเกิดมาก็แหกปากร้องแล้วทําไมมันไม่หัวเราะดีใจจังเลยฉันอิสระแล้วมันร้องไห้ทําไมเนี่ยทุกเพรเกิดแล้วพอแก่มาลุกโกโอยนัง่งโกโอยวิ่งเร็วๆเหมือนหนุ่มสาวไม่ได้ก็ทุกอีกพอเจ็บมาก็ยิ่งทุกอีกไม่ต้องอธิบายเลย วันที่จะตายยังตายไม่ลงห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินจลินทา น, นั่นก็ทุกข์อีกเห็นไมตั้งแต่เกิดจนตายทุกหมดไอความสุขที่เราสุขๆุขดิบๆิบเราวิ่งไปแสวงหามันเป็นความสุขจอมปลอมมันเป็นมายาที่ปุกเขาเห็นแล้วมันเป็นมายาแต่เราก็ติดมันไงมายาก็ช่าง เหมือนฉันติดแอร์แล้วก่อนนะมันร้อนติดแอร์แล้วเาก็ติดฉันก็ติดแอร์จริงๆพอไฟดับมาเนี่ยฉันก็เลยทุกข์เพราะไปติดแอร์เราสร้างมายาให้กับความรู้สึกเราเป็นอุปทานอุปทานนั่นแหละคือมายามายาหลา ย, ลายชาติสะสมมายามาแล้วเป็นกระแสกรรมไปแล้วกลายเป็นอนุใส่ไหม เกิดมาปุ๊บคนคนนี้แข็งแรงค น, นนี้ไม่แข็งแรงค น, นนี้ขี้แยค น, นนี้ไม่ขี้แยเนี่ยนะแล้วมาสร้างอุปทานใหม่ขึ้นมาในชาตินี้เราคิดนอกกรอบนั่นไม่ได้นะเมื่อกี้พ่อคู่คูชีว่ายุคนี้โดยเฉพาะเรื่องเวลากับเรื่องเงินยี่บสี่ชั่วโมงของเราในวันหนึ่งเนี่ยแก้ปัญหา ของเรายังไม่จบเลยเราเจะเวลาที่ไหนมาสแสวงธรรมไม่มีไม่มีเวลาจะฟังธรรมด้วยวไร้สาระอย่างมาพูดนะเพราะเดี๋ยวจะวิ่งไม่ทันเขาเดี๋ยวจะไม่เจริญนะเราเราหลงภาษานะเราเข้าใจว่าเจริญเติบโตเนี่ยทำให้เรามั่นคง ทุกคนชราใจเห็นหมทุกคนเข้าใจอย่างนั้นหรือเปล่าความเจริญเติบโตคืออนาคตทำให้เรามั่นคงเจริญจริงๆแล้วเจริญแปลว่ามีมากขึ้นเติบโตแปลว่ายิ่งใหญ่ขึ้นไม่ได้แปลว่ามั่นคงซะหน่อยหนึ่งแล้วไม่ได้แปลว่าสุขด้วยคาว่ารวยเด็กแปลว่ามีมากจนแปลว่าไม่มีหรือหรือมีน้อยมันไม่ได้แปลว่าสุขหรือทุก แต่เราไปสร้างมายาภาพว่าถ้ารวยแล้วคือดีถ้าจนก็คือไม่ดีตอนจนจนอยู่นะพ่อครูมาที่นี่เรียนรู้กับชาวบ้านที่นี่มีตายายคู่หนึ่งจนมากแต่เขาลงเขื่อนเขาก็ปามานะเข้าป่าสามีลงเขื่อนไปเอาปามาภรรยาก็เข้าป่าไปเอาหน่อไม้มาไปเอาสมุนไพรมา มานั่งทำอาหารมานั่งกินกันฉันรักเธอเธอรักฉันฉันเห็นใจเธอเธอเห็นใจฉันฉันเข้าใจเธอเธอเข้าใจฉันฉันช่วยเหลือเธอเธอช่วยเหลือกันพอบังเอิญถูกหวยสามีไปทางภรรยาไปทางมันมั่นคงไหมเห็นไหมมีญาติจะ ท, ทาเราท่านหนึ่งเป็นชาวต่างชาติ เคยมาอยู่กับพ่อครูเขาก็เป็นคนหนุ่มมาจากเมืองนอกแต่ส่วนที่เป็นบรารมีเก่าเขาก็มีทําให้เขาเห็นทุกข์เขาก็วิ่งมาปฏิบัติเขาก็ตื่นขึ้นระดับหนึ่งแต่เขาฝังลึ ก, ลกๆกว่าเขาต้องสําเร็จในชีวิตแล้วก็เป็นคนนิสัยชอบลองอะไรเนี่ยนะเวลาปฏิบัติอยู่นะวันนั้นหน้าฝนเนี่ยฝนฟ้าแรงมากฟ้าผ่าเปียง ๆ, ๆเขาเดินออกไปนั้นในป่านั้นเลย ตอนนั้นเป็นป่าหมดนะไปยืนตากฝนอยู่ตรงนั้นนะกลางคืนนะพ่อคุให้หายไปไหนพ่อคุยก็เรียกเขาเขาก็มีสติเขาก็เดินมารายงานโอเคไปเขาไปลองฟ้าผ่าแรงแค่ไหนเขาก็ไม่ตกใจแต่ทีนี้ไออุปทานที่ฝังลึกในเด็ ก, ดกนี่ว่าเราต้องสาเร็จในชีวิตคือเราต้องมีเงินก็ออกไปค้าขายออกไปอะไร ๆ, ๆ, ๆ, ๆนะ พอมีเงินแล้วก็ทําเหมือนคนว่าหวังว่ามีเงินแล้วฉันฉันจะมีความสุขไนก็เอาเงินซื้อทุกอย่างเที่ยวเตะสองปีกว่าผ่านไปนะแบบเขาบอกเขาเละเลยเขาบอกเขาอยู่กับไฟแต่เขาไม่มีคําตอบว่าให้มันไม่สุขเลยแล้วเขาก็กลับมารายงานตัวคุยกับพ่ะครูเลยว่าโอ้เขาโชคดีมากเลยเขาหลอดมาได้ยังไง เขาลอกจากเอก็ดอกลอดจากคนขี้เล่าด้วยกันป้นฆ่าอะไรเนี่ยเขารอดมาได้อย่างไรบอกเห็นแล้วก็ดีแล้วล่ะแต่จำไว้นะคำว่าโชคดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเรานานอันนี้ยังดีนะไม่เห็นทุกไหมเขาเห็นทุกตอนไหนตอนที่เขามีหมดทุกอย่างเลย ล้วไปซื้อความสนุกสนานแต่ไม่รู้สึกมั่นคงเลยไม่รู้สึกสุขเลยมันแค่กบเกินมันชั่วข่าวไปสร้างอุปทานใหม่สนองกิเลสเราเนี่ยนะให้มันลืมความทุกข์ชั่วข่าวในเวลานั้นเราเหมือนเราไม่ทุกข์เพราะเราสร้างอุปทานใหม่อารมณ์ใหม่พอใจสนุกสนานเนี่ยกบเกินความทุกข์ พอเสร็จแล้วเนี่ยก็นั่งทุกข์อีกบังเอิญปัญญาเก่าเขามีเขาก็บอกว่าเขาก็เลยจำคำพูดครูบาอาจารย์ไว้ตั้งหลายปีก่อนสิบกว่าปีมันก็ฟื้นึ้นมาเ็าบอกใช่ละความเจริญไม่ได้แปลว่าความสุขความเติบโตก็คือยิ่งใหญ่ขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าความสุขแล้วก็ไม่รู้สึกมั่นคงเลยนะ แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเก่าเนี่ยนะเราจะไม่มีวันสัมผัสความรู้สึกตรงนี้ได้คืบเอาศอกได้คืบเอาศอกเหมือนขี่หลังเสือลงไปไม่ได้นะเรามาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรอะไรเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติคือการกระทำตามธรรมชาติหิวก็กินง่วงก็นอน นั่นคือธรรมชาตินะแต่ไม่ใช่พูดตามกิเลส น, นะอยากกินก็บอกหิวมันไม่หิวเลยกินเพราะมันอร่อยมันไม่ง่วงเลยเพราะมันชี้เกียรอันนั้นหิวก็กินง่วงก็นอนไม่ใช่ในยะนั้นนะในยะหิวก็กินง่วงก็นอนเนี่ยมันเป็นเซนนะคล้ายๆว่าเราต้องรู้หน้าที่เราเวลาไหนควรทาอะไรนะหิวก็กินง่วงก็นอนอันนี้ ทำงานอยู่ท้องมก็ร้องกรอกกรอกกอกมันเตือนภัยแล้วเธอหิวแล้วไม่กินเพราะงานไม่เสร็จมันจะไม่รวยทำไมทำไปถึงเที่ยงคืนมันหาวใหญ่เลยมันเตือนสติว่าเฮ้ยอะไรกันนักหนาะนอนเถอะถึงเวลานอนแล้วไม่นอนพรุ่งนี้เช้าต้องไปส่งงานถ้า ง, งานไม่เสร็จไม่ได้เงิน ใช่ไหมอันนี้คือหิวไม่กินง่วงไม่นอนเพราะความอยากพอตื่นเช้ามาไปส่งงานได้เงินมาล้านหนึ่งมารักษาโรคเครียดโรคมะเร็งเห็นไหมเราไม่เข้าใจความจริงของชีวิตเราทุ่มเทชีวิตเราไปทุกอยู่กับการสร้างอนาคตคือเงินนั่นแหละอย่าปฏิเสธนะอนาคตเราคือเงินเพราะมีเงินแล้วมีลาบแล้ว ก็มียศถาบรรดาศักดิ์เขาแท้สองสรรเสริญมันเป็นแพทเทิร์นเป็นความเป็นเขาเรียกว่าเป็นแพ็กเกจสำเร็จรูปของยุคนี้เนี่ยเขาตั้งโจทย์ให้เราเลยล่ะชีวิตเราก็ไปทุกก็เพราะว่าไปสร้างสิ่งนี้แล้วก็ต้องต่อสู้กับเวลาเพราะทุกคนแข่งขันมันยิ่งเร็วขึ้น G สองช้ไปแล้วเอา G สาม G สี่ G ห้าการเร่งเรามันแรงขึ้นแรงขึ้นนะ จนมันกลายเป็นวิถีชีวิตเราจนเราแยกไม่ออกเลยละวิถีชีวิตจริงๆมันคืออะไรคิดนอกกรอบไม่ได้นะเด็กๆก็ถูกสอนวุก เ, เรียนเก่งๆนงเก ๆ, ๆหาเงินเยอะๆเมื่อรวยแล้วจะมีความสุขมันมั่นคงต้องถูกสอนมาอย่างนี้นะทีนี้ถ้าเกิดคนไม่มีบุญเก่าแล้วเนี่ย ความรู้สึกเราจะไม่เห็นทุกข์เราทุกข์อยู่แต่เราไม่เห็นทุกข์เมื่อไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่เห็นธรรมคำว่าธรรมในที่นี้คือสัจธรรม ค, คือความจรงิงความจริงของธรรมชาติคือเรามีทุกข์เป็นประธานในโลกในจักรวาล น, นี้เนี่ยนะความสุขไม่มีขาย เหมือนในโลกในจักรวาลนี้ในโลกเราเนี่ยมีแต่ความร้อนไม่มีความเย็นพาทิ์เป็นตัวจ่ายความร้อนไม่มีดาวดวงไหนจ่ายความเย็นนะแต่มันเย็นเพราะอะไรน้ำแข็งนี่มันเย็นเพราะอะไรเพราะความร้อนมันน้อยเครื่องปรับอากาศเขาเรียกเครื่องปรับอากาศเนี่ยใช่ไหมมันปรับเอาความร้อนออกเมื่อความร้อนมันน้อยความเย็นมันก็แสดงตัว ชั้นใดชั้นนั้นความสุขไม่มีขายถ้าบาบใดที่ความทุกข์มันยังอยู่ผู้เจ้าถึงสอนวิธีให้เราเจอความสุขที่แท้จริงนะก็คือต้องเอาความทุกข์ออกขัดเกลาจิตให้ผ่องใสแค่เราไม่ทุกข์เท่านั้นเองความรู้สึกที่เราไม่กังวลอะไรเลยนั่นคือเป็นความสุขอย่างยิ่งและความสุขนั้นใครเปลี่ยนเราก็ไม่ได้ มีอย่างเดียวที่จีรังยั่งยืนนิพานนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสิ่งเดียวที่ถาวรไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่คือทางทำให้เราพ้นทุกข์เมื่อพ้นทุกข์แล้วนั่นแหละคือเป็นความสุขอย่างยิ่งไม่ใช่ไปแสวงหาความสุขกันกว่าจะสุขถูกเขาบังคับให้เรียนหนังสือตั้งแต่นุบาลไปทุกทุกทุกทุทุก เรียนก็ไปแข่งขันไปบม่มเพาะนิสัยอยากเอาเปรียบอยากชนะไปทำงานก็แข่งขันอีกนะไปสร้างกรรมนะเพื่อจะเอาเงินเยอะๆแล้วจะมาซื้อความสุขหลายคนจนถึงวันตายแล้วก็ยังเจอไม่เจอความสุขวันจะตายก็ยังทุกอยู่นี่คือความเห็นผิดเป็นชอบของมนุษย์เราเราตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิด นะหลายคนก็เข้าใจผิดนะอย่างนภียาศาสอะไรเนี่ยเขาเข้าใจว่าเขาก็อ้างคำสอนพระเจ้าว่าต้องเดินสายกลางไอ้พวกเราที่ทิ้งวิถีข้างนอกมาอยู่ในนี้เนี่ยพวกเราไม่สุดตรงเหรอก็บอกสุดตรงทีนี้กลางของแต่ละคนนยะมันไม่เหมือนกัน แต่ถ้ากลางของพุทธเจ้านั้นน่ะมันคำว่ากลางเนี่ยไม่ใช่ชั่างกิโลอ่าเออให้มันให้มันน้ําหนักเท่ากันนะไม่ใช่นะคําว่าทําจิตให้เป็นกลางเนี่ยก็คือว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นสองส่วนระหว่างถูกกับผิดระหว่างดีกับชั่วระหว่างขาวกับดำระหว่างข้างในกับข้างนอกวางใจเป็นกลาง ไม่ติดอะไรเลยแล้วเราจะเห็นความจริงว่าทอนจริงของธรรมชาตินั้นมันมีของคู่อยู่ภาษาภาษาบอกเราแยกคั่เลยนะเราเกียดชังความชั่วร้ายมากเลยเราชอบความดีเราจะทำลายความชั่วร้ายนี่มันหมดไปโลกจากโลกบาลนี้ได้ไหมก็ไม่ได้มันเป็นของคู่มันมีอย่างเดียวท่านนั้นเราต้องรู้เท่าทัานมัน ถ้าเราติดดีปุ๊บความชั่วร้ายจะเกิดขึ้นในความรู้สึกเราเลยเห็นไหมทานสายการก็คือว่าเรารู้ความเป็นจริงอันนี้ขาวก็ขาวอันนี้ดำก็ดำอย่าไปให้ในัยยะมันว่าขาวดีดำไม่ดีจิตเป็นกลางไม่ใช่ปฏิเสธขาวไม่ใช่ปฏิเสธดำยอมรับในความเป็นของมันแต่เป็นอะไร เนี่ยสอนให้เด็กๆทุกวันนี้เป็นอัตตานะเมื่อกี้พกก่อครูก็ดูเขาบวชไม่ชีน้อยที่ที่อินเดียคนไทยไปบวชไม่ชีน้อยที่อินเดียก็ถามว่าขนาดบวชนะบวชชีนะลูกโตขึ้นจะเป็นอะไรจะเป็นหมอค่ะจะเป็นครูค่ะ เราอุตส่าห์พาเขาบวชแต่เราสอนให้เขาเป็นสร้างอัตตาให้เขาผู้วิจารไม่ได้สอนอย่างนั้นส่วนชีวิตเรานี่สืออาชีพอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรนั้นน่ะเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันเป็นชื่อสมมติเชย์วเ่เลยนี่เป็นตำรวจเป็นทหารเป็นข้าราชการเป็นครูเป็นหมอนันนั้นเห็นไมภาษาโลกเนี่ยมันถ้าเราไม่ ไม่ระวังนะไอ้คาว่าเป็นเป็นเป็นเนี่ยมันเป็นตัวสร้างอัปตาขึ้นมากับเราเราสอนให้เด็กมันเป็นนะเป็นอะไรก็ทุกเป็นคนดีก็ทุกเป็นคนดีเราก็ไปติดดีเราก็ว่าคนอื่นเขาไม่ดีก็จะเป็นแยกขั้วเลยผู้เจ้าสอนไม่ได้สอนให้เราเป็นคนดีไง ผู้เจ้าสอนให้เราทำดีทำแค่พอดีแต่ไม่ไปติดดีแล้วก็ละชั่วด้วยไม่ใช่ชั่วครึ่งหนึ่งดีครึ่งหนึ่งวันหนึ่งกินเบียร์ปกติสี่ขวดพอฟังธรรมแล้วบอกสายกลางกินเหลือแค่สองขวดอันนั้นกิเลสมันหลอกนะไม่ใช่ทำชั่วครึ่งหนึ่งทำดีครึ่งหนึ่งต้องทำดีแต่ทำแค่พอดี ไม่ต้องไปติดดีแล้วก็ต้องละชั่วด้วยไม่ใช่ชั่วครึ่งหนึ่งอย่าไปเข้าใจนะพอไหมทําดีละชั่วพอไหมไม่ยังไม่พออย่าอย่าแกล้งลืมนะหนี้เก่าทําดีคือสร้างบารมีเพื่อให้มีกำลังเนี่ยเอากำลังนี้มาทําไมเพื่อจ่ายหนี้เก่าเพื่อมาขัดเกา่จิตให้ผ่องใสแล้วก็ละชั่ว เพื่อป้องกันไม่ให้สร้างหนี้ใหม่ต้องสามองค์ครบสมบูรณ์แต่ตอนนี้เราไปปฏิบัติธรรมพอกูตามไปดูไปที่ไหนก็ช่างเขาสอนให้เราฝึกสมาธิเจริญสติดีไหมดีเราไม่ได้ไปตีหัวใครแต่ถ้าไปติดมันเมื่อไหร่เนี่ยเป็นความชั่วร้ายอย่างลิ่งทำไมถึงพูดอย่างนั้นคือติดอะไรก็คือหลงติดไง ติดว่าปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนั้นนะไปไปเป็นแล้วเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วเป็นหลงติดไอ้รูปแบบวิธีนั้นนะสร้างอัตตาขึ้นมาอีกภาษาโลกเขาสอนให้เราเป็นนั่นแหละเริ่มจากคนที่รักเราที่สุดก็สอนให้เราเป็นคนดีนะสอนให้เราเป็นหมอนะเป็นวิศวะนะเป็นมหาเศรษฐีนะเป็นรัตตมนตรีนะมันสนทานกับทางคนทุกข์ ผู้เจ้าสอนวิชาให้เราปล่อยวางความเป็นซัความเป็นนั้นคือตัวตัวตั ว, ต ว, ตวสร้างอัตตาคณะสัญญาก้นบังอนัตตาคณะสัญญาก้นบังอนัตตา <c oughs> เกิดมาใหม่ๆเป็นเบบีเห็นไหมเบบีเด็กทารก เราเปล่งคำนี้ออกมาเอาเป็นชื่อสมมุติก็ช่างแต่คำนี้เรารู้ว่าเป็นใครยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะมันหมายถึงเด็กเกิดใหม่ทุกคนมันยังเป็นภาษากลางๆอยู่แต่พอเราถูกตั้งชื่อเธอชื่อบัญชานะเอาละหนึ่งสัญญาบันทึกไว้แล้วฉันเป็นบัญชาละนี่พ่อนะนี่แม่นะ นี่เก่งนะนี่รวยนะนี่ชนะนะใส่ข้อมูลเข้าไปหนึ่งสัญญาสองสัญญาสามสัญญาสี่นะห้าสัญญาหลายหลายสัญญารวมกลายเป็นคณะสัญญากลายเป็นอัตตาขึ้นมากั้นบังทำให้เราไม่เห็นอนัตตาอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอน เห็นไหมไอ้ น, นี่แมวมันคุยกับพ่อครูเนี่ยเห็นไมแมวเราตั้งชื่อให้มันฝรั่งเรียกว่าแคทเป็นชื่อสมมตุติถ้าเราติดสมมุติมเมื่อไหร่นี่เราก็กลายเป็นบัญชาพอเขาด่าบัญชาว่าไม่ดีบัญชาก็รู้สึกไม่พอใจทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีชื่อเลยใครก็ด่าเราไม่ได้ แต่ ส, สมุติบัญญัติเนี่ยไม่ชื่อไม่มีชื่อไม่ได้มันเรียกกันไม่รู้เรื่องพวกครูไม่เชื่อนะเขาเรียกไม่รู้เรื่องพวกครูนั่งดูนกทุกเช้าทุกเย็นมันบินมาแถวนี้มันปลอดภัยนะโดยเฉพาะที่พักพวกคูตรงนั้นน่ะนกเขาเต็มไปเลยบางครั้งเผลอปุ๊บก็มีคนเข้ามาต่อนกเขาอะไรเลยพราครูเคยมาใหม่ๆยิ่งเยอะกว่านี้เป็นป่าหมดไงพวกครูก็เดินไปกราบเขา บอกขอให้มันอยู่ล ำ, ลำพังเนี่ยเขาว่ายังไงเขาบอกว่านกเป็นของธรรมชาติคล้ายๆว่าเธอไม่มีสิทธิ์มาบอกฉันพระครูบอกก็เป็นของธรรมชาติก็ปล่อยอยู่ตามธรรมชาติจะจะมาเป็นของคุณทาไมเขาก็เลยหน้าเสียไปเลยนะพระครูก็นั่งดูมันนกมันคุยกันรู้เรื่องนะม่ไม่ต้องมีภาษาแต่มันส่งสัญญาณเสียง มันร้องพวกบิดหนีด้วยกันเลยพราะพวกก็นั่งดูเหมันเฮ้ยมันดูเรื่องเลยมันเป็นภาษาธรรมชาติแต่บุรุษเราไปตั้งภาษามาเนี่ยเห็นไหมมีภาษาเด็กคุยกับผู้ใหญ่ภาษาลูกน้องคุยเกี่ยวกับเจ้านายเป็นภาษาซึ่งสร้างอัปตทาทั้งนั้นท่านเป็นใครเป็นศาสตาจารย์เป็นด็อกเตอร์ไม่เป็นคนแล้วแค่เป็นคนวันแรกก็แหกปากร้องแล้วไง แทนที่จะพัฒนาคนให้กลายเป็นมนุษย์ผู้เสรตคือพรมวิหารพรมวิหารคือที่อยู่ของมนุษย์ผู้เสรตก้าวไปสู่ความเป็นอริยบุคคลไม่พัฒนาคนทึ่มันทุกข์อยู่แล้วมันแหกปากร้องแล้วให้กลายเป็นาศาสดาจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นโน่นเป็น น, น, นี่แล้วมันจะไม่ทุกข์ได้ยังไงพวกครูบอกน่ากลัวมากถ้าไม่มีบุญเก่าเนะี่ยพวกเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์หรอก แม้แต่นิดหนึ่งที่เราจะมีเวลามานั่งคิดเรื่องพวกมันนี้บางคนถึงจะมาแล้วก็ช่างนะปฏิบัติบ้บางพ อ, อกลับไปผู้หวังดีบุกผด่าเลยไม่ทํามาหากินอะไรไปทําเรื่องไร้สาระชักเขวะล้วเออจริงนะเขาพูดจริงนะเพราะไม่มีเงินมันทุกจริงๆนะมันไม่มีจะกินนะเขาก็เห็นงไงไม่ใช่ง่ายนะ ถ้าทุกคนไม่มีของเก่าแล้วเนี่ยในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะแหกโผความเคยชินหรือว่าสังคมเขาบล็อกเอาไว้นี่ยไม่มีทางเลยพ่อครูบอกแล้วว่าก็คนพ่ะครูพูดเมื่อกี้ว่าญาติธรรมที่เป็นคนต่างชาตินะเขารายงานตัวเขาบอกพรอครูว่ามันง่ายนะแต่มันไม่ง่าย เห็นหั้มบางคนเพราะกูวางยากยากวิ่งวนเวียงวางว่างที่เราทุกทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะจิตเราไม่ว่างมันมีหลายโปรแกรมเลยมันห่วงโน่นห่วงนีน่ห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงนีนงนน่มันไม่ว่างเลยนะคิดโน่นคิดนีนคดนน่คิดสับสนคิดกังวลคิดห่วงใยคิดฟุ้งซ่านแล้วก็คิดกลัวความกลัวทาให้เสือ่อมพอมาฟังธรรมบอกว่า ก็มันไม่ว่างเพราะมันติดไม่เอกไงเวียงไม่เอกทิ้งเดี๋ยวนี้บรรลุเดี๋ยวนี้เวียงพรุ่งนี้บรรลุพรุ่งนี้คือวางแล้วมันก็ว่างเ็าบอกวางยากยากถามว่าตำรวจจับไหมต้องขอวีซ่าหรือเปล่าต้องต้องเสียเงินกี่สตังค์ไม่ต้องเลยมันยากเพราะมันง่ายมีอะไรง่ายขนาดนี้ไม่ต้องไปเรียนจบถึงปริญญาโทปริญญาเอกเสียเวลายี่สิบสามสิบปี ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรเลยมันยากตรงไหนมันเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่ว่าง่ายที่สุดในโลกในจักรวาลแต่เพราะมันยากเพราะเรารู้ผิดเราไปสะสมกิเลสตัณหาอุปทานสร้างเอาวิชาขึ้นในตัวเองก็คือความรู้ผิดนั่นแหละมันเลยกลายเป็นเรื่องยาก จริงๆถ้ามันไม่ได้ยากอะไรมันง่ายๆถ้าคนเขาไม่เห็นทุกข์แล้วเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจสิ่งนี้เพราะมันอ p p o s i t ์มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาเคยชินมาตลอดชีวิตทำไมพวกคูจะไม่เข้าใจเพื่อนฝูงพวกกูที่อุบลเนี่ยสมัยก่อนเมาเหล้ากอดคออาการอะไรก็สชัางเนี่ยเขาตกใจหมดว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกคู หลายปีนั่งไม่เคยกล้าเข้ามาเลยนะแล้วพ่อครูไม่เคยเป็นรบกวนความรู้สึกเขาเลยเหมือนว่าพ่อครูยังไม่กลับมาจากเมืองนอกล่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพ่อครูเข้าใจเขาพ่อครูเคยเป็นแบบเขามาแล้วแรงกว่าเขาด้วยแต่เขาจะไม่มีวันเข้าใจสิ่งที่พ่อครูพราะครูไม่ได้เป็นอะไรนะถ้าภาษาบอกว่าในขณะนี้ที่พ่อครูเป็นอยู่ <laughs> เขาไม่มีทางเข้าใจ เพราะว่าเขาถูกบล็อกไว้ตรงนั้นน่ะเขาถูกเขาคิดนอกกรอบไม่ได้ซึ่งพค่ครูสมัยก่อนก็เป็นแบบเขาอันนี้ก็ไปลงเอ่ยที่ว่าบุญใครบุญมันกรรมใครกรรมมันนะเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เวลานิดหนึ่งวันนี้ก็ไม่พูดอะไรเยอะปกติมันชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงนะก็ต่อยอดอีกนิดหนึ่งคืนก่อนพ่อคูเดินจะกลับบ้าน พี่ปองก็วิ่งมาปกติไม่เคยอย่างนี้นะวิ่งมาก็ามากราพร่อครูพ่อครูถามหน่อยหนึ่งถามเรื่องเดียวมก็มีอะไรเหลอเพราะพี่ปองไม่เคยไปถามอะไรฟุงฟรฟ้งเฟ้อฟุ่งเฟือยพี่ปองบอกว่าจิตมันบอกว่าถ้าเข้าถึงพุท ธ, ธะแล้วเนี่ยไตายสารณะเนี่ยก็ไม่สำคัญใช่ไหม ก็ถูกแล้วไงไตราสารณะคืออะไรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาสอนให้เราว่าเออยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หนึ่งเป็นสารณะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคำว่ายึดเนี่ยเหมือนเด็กๆนะเรายังไม่โตเราต้องพึ่งพ่อแม่ก่อนเห็นไมถ้าเราเชื่อพ่อแม่แล้วเนี่ย พ่อแม่บอกอย่าไปนะเออเขาไม่ไปเราต้องเชื่อมั่นว่าพ่อแม่ไม่โกหกเราเพราะพ่อแม่นี่รักเราเราต้องยึดพ่อแม่ก่อนเราก็อปลอดภัยแต่ทุกวันนี้มันสอนให้เราต้องลองต้องกล้าพวกก็เป็นเอชเป็นติดยากันหมดไงนี่คือเรายึดพลันตนาใจเนี่ยเป็นสรณะไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นนะยึดเป็นแนวทางเดินของชีวิตเรา แต่เมื่อเราเข้าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของพะนธุ์นาตายแล้วเราไม่ต้องยึดอะไรอีกแล้วไม่มีผู้บรรลุกับสิ่งที่บรรลุมันว่างไปหมดปองเขาสัมผัสตรงนั้นแล้วแต่เป็นเครื่องสัมผัสชั่วขาวนะเนื่องจากบา ร, รมีที่สร้างมาอดีตกับปัจจุบันนี้เนี่ยปองมาอยู่กับข้าพักูนานแค่ไหนก็ไม่รู้นะ ล้างห้องน้ำห้องสวมยาติทากลับไปก็ไปล้างเสือผ้าหม่มปาหมอนอะไรเขาเลยไม่เคยพูดสักแอดหนึง่งตอนนี้ก็หยุดทั้งหมดชีวิตไม่มีรายได้อะไรแต่วันดีคืนดีก็เอาเงินมาทำบุญพี่ปองเอาไว้ใช้บอกอยากทำบุญไอคนที่มันให้ก็ให้ใ ห, ให้นี่คือผลที่เขาทำไงไอคนที่ไม่ให้ก็จับถูกจะปิดอ้างโน่นอ้างนี่เพื่ออยากสนองตัหางแล้วมันจะก้าไปไหน เพราะกูเห็นในสูนี่มันมีนานาจิตตังไม่ใช่ทุกคนต้องเหมือนกันแล้วทีนี้ไม่มีข้อบังคับว่าต้องหนึ่งสองสามแล้วแต่สำนึกแล้วแต่ทุกคนจะมุ่งมั่นแค่ไหนถ้ามุ่งมั่นไม่แรงเนี่ยกิเลสก็อ้างอยู่นั้นอ้างอยู่นั้นแหละเพราะมันกลัวถ้าเรามีพลังพวกเราจะรู้เท่าทันมันกิเลส ม, มันจะหลอกเราไม่ได้อันนี้ก็เล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์แต่ละอย่างที่เขาถามพอกูไม่มีเรื่องไร้สาระ ไม่ไปถามว่าเฮ้ยบ้านนั้นยังมีเครื่องซักผ้าได้ฉันก็ไม่มีเครื่องซักผ้าอันนั้นไร่สาระมันชั่วได้ฉันก็ต้องชั่วด้วยอย่างนี้นะ่ะไล่สาระถามแต่เรื่องที่มันจะก้าวไปข้างหน้านะอันนี้เกิดขึ้นได้นะมันไม่เลือกเวลาหรอกยุคนี้มีเหรอนิพานมันไม่เกี่ยวกับยุคเวลาอะกาลิโก ไม่จํากัดการเวลาหรือสถานที่ตราบใดที่มีผู้อยู่ในมัดในทางแล้วเนี่ยมันไม่ละเว้นพระอรหันต์มันไม่ใช่เหตุผลแบบตกกรกะถ้าเราไม่มุ่งมั่นไม่ศรัทธาจริงๆเราจะถูกกิเลสเรามันหลอกไม่มีงานทําก็มองคนนั้นจับผิดคนนั้นจับผิดคนนี้นะไปเปรียบเทียบเอ๊ะมันทําได้ฉันก็ทําได้สิดาได้ตํารวจไม่จับเหมือนกันไม่มีใครว่า พ่ะครูมีหน้าที่เตือนสตินะเป็นช่วงๆตอนนี้เราคิดว่าเออมีแต่คนในศูนย์เราเป็นส่วนใหญ่แล้วก็พูดเรื่องสภาวะธรรมกันนิดนึงนะไม่ปกติแล้วพ่ะครูจะไม่พูดเรื่องนี้เพราะมันถ้าคนไม่เข้าถึงแล้วมันจับต้องไม่ได้แต่บางทีเรามาเอ่ยพุ๊เพื่อเป็นสารณะอย่างหนึ่งเป็นอุทาหรณ์นะเป็นเอ่อทำให้เรา มีกำลังใจที่จะเดินต่อไปนะถ้าคนเรามันก้าวหน้าแล้วเนี่ยเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องทรัพย์สินอะไรอะไรมันเป็นไร้สาระถนนเป็นมายาเป็นมายาเนาะแต่สมมติบัญญัติเหล่านี้เนี่ยเราก็อยู่กับมันเห็นไหมเราก็อยู่กับมันเราก็มีไฟฟ้าเราก็มีหลอดนี้ออนอะไรแล้วเราก็ใช้มันจะใช้อย่างรู้เท่าทันมัน ไม่ใช่เขาใช้ได้ฉันก็จะใช้ฉันก็จะใช้เนี่ยเราต้องฝึกให้เราลดละเลิกนะในกระทั่งอยู่ๆก็เทคอนจีตในศูนย์ยี่สิบห้าปีไม่มีเรื่องแบบนี้นะพวกครูลดลงมาจนต่ำสุดแล้วเนี่ยสมัยก่อนไม่มีหลอกไฟฟ้านะไม่มีหลอกบ้านให้อยู่แบบนี้นะ อยู่แบบธรรมชาติแต่ทีนี้นี่เหตุปัจจัยมันเปลี่ยนก็ความเมตตานั่นแหละพวกครูก็ไม่ติดอะไรแต่เหตุปัจจัยมันเปลี่ยนพราะครูก็ยอมทําบางอย่างเพื่อให้คุณนิกน า, นานๆก็มาเยี่ยมเราทีหนึ่งคุณนิกนี่เป็นเจ้าภาพธรรมดาในศูนย์ไม่ต้องเล่ย์สวยงามสวยงามที่สุดในศูนย์นี่คืออะไรไหมคือห้องน้ำศาลาเนี่ยคุณนิกมาสร้างไง แต่ก็เมตตาว่าเอออยากอยากให้เป็นหน้าตาของศูนะนะบางเอื่ว่าเอาแบบมาเนี่ยเราก็ต้องทําตามแบบทําตามแบบมันก็เลยต้องเป็นแบบนี้ก็ต้องทาสีด้วยก็ไม่เป็นไรเพราะครูยองก็เพราะตอนนี้ญาติธทําเรามาจากในเมืองแล้วเนี่ยเขายังปรับอารมณ์เขาไม่ได้เขายังออไม่เข้มข้นเขาไม่ยังฝึกอยู่แบบสัมมาทัอะไรเนี่ยก็ให้เขาพออยู่ได้ ถ้าอยู่เมื่อสองวันก่อนอยู่ๆก็โทรบอกแก้วตอนนี้อยู่สนามบินจะ บ, บินมา อ, อุบลไม่บอกอะไรนะก็แปลกมากนะตอนนี้ทุกคนที่อยู่ศูนย์เนี่ยถ้าเราสังเกตนะต้นโมกที่ปลูกรอบสาลานั้นหลายปีที่ผ่านมาไม่เคยแบบนี้ออกดอกบานสะพังพ่งเพราะกูนั่งอยู่ ใ, ใกล้นั่นน่ะมีกลิ่นหอมทั้งหมดเลยข้างๆต้นตอนนั้นคือทุกคนลาวเรียกว่าต้นเค็งนะ ออกดอกสีเหลืองๆหลืองลนลงมาแผ่นดินเงินแผ่นดินทองอยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นแต่ข้างนอกสังคมวุ่นวายกันไปหมดคือขึ้นมันเปลี่ยนนะแล้วคนนี้ก็บอกว่าโอ้จเจริญมากขึ้นเลยเออพราะกูพัฒนามากเลยพูดถึงเรื่องทางคอนกรีต ท, ที่เราเท บังเอิญคุณนิกนี่เป็นคนปฏิบัติธรรมมุ่งมั่นถวายงานพระสังฆราชที่ท่านจากไปแล้วนะไปสร้างวัดยางอะไรอยู่บนเขาบนอะไรบนป่าเนี่ยวัดยางก็ก็สร้างทางเดินเป็นคอนกีกเข้าไปเป็นทางเดินอยู่ในป่านะเพื่ออะไรดูไหมสร้างทางเพื่อให้คนเดินแต่บังเอิญทางในศูนนี่ทุกคนพูดเหมือนกันเราอยู่เราบอกว่าสเสน่ห์ของศูนเราเนี่ยเป็นทางแดงทางลูกหลังทางฝุน่น พเพราะครูก็อยู่เป็นธรรมไบป่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้ปัญหามันเริ่มมีแล้วเมื่อคนเข้ามาเยอะๆแล้วคนในหมู่บ้านเนี่ยนะสังเกตไหมคนงานในหมู่บ้านเขาไม่ได้มาปฏิบัติธรรมนะพเพราะครูสร้างงานให้เขาโมเตอร์ไซค์เต็มบ้านเต็มเมืองรถเต็มบ้านเต็มเมืองเลยตอนนี้ไม่ใช่ให้คนเดินเขาไม่เดินเขาขี่ครัวเราเนี่ย ่เรากินข้าวอยู่มอไซค์วุ่นหรือรถกันหนึ่งวิ่งวุ้นฝุ่นเต็มไปหมดเลยก็นี่คือความเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเองอยากได้เทประธานนี่ไม่เททางบ้านเขาเลยเนี่ยอยู่มาตั้งกี่ปีไม่เห็นบุญพอคนอื่นได้บุญแทนที่จะได้ ได้บุญว่ะเออคนอยู่ไกลๆนะเขาจะได้มาผู้เฒ่าผู้แก่จะได้ไม่หกลงทำไมไม่มาบ้านฉันระครูได้ยินนะมันน่าเสียดายมากๆเลยใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์เนี่ยเรื่องแค่นี้ก็หวางไม่ลงพิจารณาตัวเองนะทำทุกอย่างไปดูบ้านพักระครูนะ ทางต้องกูขาดนั่นนะเพราะกูอยู่ยังไงก็ได้ไอ้ทําเพื่อให้คนอื่นเขามีโอกาสนั่นมันจึงได้อา น, นิสงส์ไอ้อ้าโลนอ้าง น, นี่เพื่อตัวเองเท่านั้นแหละไปสนองกิเลนนะกิเลมันก็โตขึ้นทุกวันทุกวันแล้วมันจะไปก้าวหน้าที่ไหนนะอันนี้ก็เป็นข้อคิด ทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงเป็นว่าเปลี่ยนแปลงในการคำว่าสร้างสรรทางธรรมกับสร้างสรรทางโลกไม่เหมือนกันความเปลี่ยนแปลงของทางธรรมเนี่ยเพื่อให้ทานศีลภาวนาเป็นหน้าที่เราแต่ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉันจะได้มากขึ้นไอ้ตัวนั้นเป็นกิเลสมันเสียเวลาของการเดินทางของจิตขี้เกียจเสียสลากไม่ได้ก็อ้างน่อนอ้างนี่ ไม่มีตำรวจจับนะไม่มีใครว่าพวกครูไม่ได้ว่านะพวกครูไม่โง่ที่จะไปว่าใครนะคาว่าว่าเนี่ยคือสร้างวัจีกรรมพวกครูมีหน้าที่ให้ธรรมทานเป็นการเตือนสติถ้าพวกครูไม่ทำหน้าที่นะพวกเราจะมาอยู่ที่นี่ทำไมเสียเวลาชีวิตยิ่งใหญ่มากอุชาทิ้งความสะดวกสบายมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยต้องมีขันติต้องฝืนกิเลส ต, ตัวเองบ้างต้องมีวิริยะ มีศรัทธามีความตั้งมั่นถ้าวกวกแวกแวกอกแวกอ้างไเนี่ยไม่ต้องปฏิบัติหรอกออกไปซิ่งเลยให้มันสุดๆเหมือนญาติธรรมต่างชาติเมื่อกี้ที่ว่รูบอกบางทีมันจะเห็นธรรมด้วยนะไปลองเลยลองเลยเราลืมแล้วว่าเราเคยลองมาแล้วไงเราเบื่อเราถึงมาอยู่ศูนย์ไงทำไมลืมเร็วนักมาอยู่แล้วยังจะกลับไปเอ า, เอาคิดแบบชีวิตเหมือนเดิมอ่ะเนาะ นล้วมันจะไปก้าวหน้าได้อย่างไรนะถ้าทุกคนอยู่ในกรอบคำสอนพระพุทธเจ้านะมักผลนิพพานไม่ใช่เจริญแค่สติไม่ใช่เจริญฝึกแค่สมาธิน ะ, จะเจริญมักผลนิพพานเกิดมักมันก็เกิดผลนิพพานก็อยู่ ใ, ใกล้ๆผลสูงสุดคือ น, นิพพานแต่ก่อนจะเกิดผลทุ่สุด ต้องเกิดปัญญาไม่ใช่สติศาสนาพุทธนี่ไม่ได้จบอยู่ที่สติสติเป็นแค่เครื่องมือในการเดินทางศีล ส, สมาธิปัญญาอยู่ที่ปัญญาเห็นไหมศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ได้พูดถึงสติสันหน่อยหนึง่งสติไม่ใช่พระเอกสติมันก็เกาะ อ, อยู่กับสมาธิถ้ามีสมาธิตั้งมั่นสติก็ตื่นรู้แต่ตอนนี้เราไปฝึกสมาธิต้องใช้สตินําตอนนั้นคือตัวฝึกแต่การเจริญมรรคไม่มีเวลาฝึกนะ การเจริมมักเหมือนเราหลงป่าเนี่ยเราต้องหาทางเดินออกจากป่าตอนที่เดินอยู่เนี่ยต้องใช้สมาธิใช้สติไม่งั้นขัดขาตัวเองเราไม่ใช่ชนต้นไม้ไม่ใช่ตกเหวต้องใช้ปัญญาเจองูยังไงเจอเสือยังไงต้องใช้มันยิ่งใช้ก็ยิ่งชํานาญนี่คือมักไม่ใช่ไปฝึกหลงป่ามอดจะไปฝึกสมาธิจเจริญสติเดี๋ยวงูมาเดี๋ยวเสือมาก็กินเราไฟไหม้ป่าเราก็ตายเราไม่ได้เกิดมาเพื่อไปฝึกวิชาใดๆทั้งนั้นเราเกิดมาเป้า คำตอบนเกิดมาทำไมนะก็คือมาเดินทางต่อเป้าหมายคือนิพพานเราเดินมาหลายชาติแล้วส่วนเรามีอาชีพเนี่ยใช่ไหมอาชีพก็เป็นส่วนหนึ่งของนักมีองแปดเท่านั้นเอง mm hmm. เทียบเท่ากับสติเทียบเท่ากับสมาธิแต่เราต้องใช้ทั้งหมดเครื่องมือทั้งแปดอย่างเนี่ยเป้าหมายสสุด ให้เราเกิดปัญญาเมื่อจิตเกิดปัญญามันก็รู้ว่าต้นเหตุที่เราทุกข์เพราะเรามีอัตตามันก็ระเบิดอัตตาทิ้งเข้าไปสู่สุญญาตาก็คือว่างจากอัตตานั่นแหละคือพ้นทุกข์พ้นทุกข์ถาวรเอาแค่สติรู้เท่าทันกิเลสเออรู้เท่าทันแล้วมันไม่พอใจจะชั่งมันเถอะแล้วก็ไม่ต้องสร้างกรรมนะแต่ถ้ารู้เท่าทันกิเลส มันพัฒนาสู่ตันหาไม่ได้อุปทานก็ไม่เกิดเวลาที่รู้สึกไม่มีทุกข์ไงเราก็เป็นคนแค่ไม่ทุกข์แต่ยังไม่พ้นทุกข์เดี๋ยววันหลังมันก็เอาอีกแต่ถ้ามันมีปัญญาแล้วมันรู้ว่าต้นเหตุที่ทําให้เราทุกข์คืออะไรมันไปกําจัดตัวนั้นน่ะมันจะไปเอาเชื้อที่ทําให้เราไม่สงบออกมามันก็สงบตลอดการแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเชื้อมันไม่มีวันหมดเพราะเราสะสมมาหลายร้อยหลายพันชาติมันจะทําลายไอตัวที่ มันยึดเกาะ อ, อยู่เหมือนทำลายกล่องดำนั่นแหละเมื่อเราเปิดกล่องลำนั้นทิ้งแล้วเข้าไปสู่สุญญาตาว่างจากอัตตานั่นคือความปลอดภัยถาวรทุกคนทำได้นะมันไม่ได้อยู่ไกลตัวมันไม่ได้อยู่ใกล้ตัวมันวัดไม่ได้ด้วยมันอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วที่ปองเขาบอกว่าพุทธเรามีพุทธจิตอยู่แล้ว ผู้เฒ่าผู้แก่ยิ่งอย่าไปพูดท้อถอยนะออมันจะได้เหลอยุคนี้มันมีนิพานเหรอเอาเวลาไปคิดเรื่องนี้ทำให้มันท้อถอยทำไมหรือเวลาหนึ่งนาทีหรือเวลาชั่วโมงหนึ่งหรือเวลาวันหนึ่งรีบเดินเรายิ่งนับถอยหลังอยู่เวลาเรายิ่งเหลือน้อยกว่าคนอื่นพูดตามกิเลสเพื่อจะต้องไม่ปฏิบัตินะไม่ต้องพูดทา ทำโดยการเจริญมัจทำต่อเนื่องนะไม่ใช่ทำบ้างไม่ทำบ้างเอ้ยฉันไม่ก้าวหน้าเลยก้าวไปก้าหนึ่งถอยหลังไปสองก้าวดึงชักกระเจือแล้วมันจะไปไปหาความก้าวหน้าได้ที่ไหนล่ะอใช่ไหมเขาเรียกว่าค้ากําไรเกินควรนะไม่ได้นะโอ้สร้างนี้เวียนวี่กรรมมาตั้งหลายชาติแล้วคิดว่าไม่กี่วันก็มีคนต่อว่าพระครูนะ ญาติธรรมรุ่นแรกเลยนะฮะอาม่าสีสมทยโดยทางโลกพก่อครูนับเขารบเหมือนแม่นะในทางธรรมก็เป็นลูกศิษย์เอกตั้งแต่คําว่าลูกศิษย์เอกเนี่ยไม่ใช่ว่าเก่งที่สุดนะหมายถึงว่าตั้งแต่แรกเลยตอนนี้อยุเก้าสิบกว่าแล้วบางทีแกพูดเล่นม่าสมัยก่อนเขาเรียกอาจารย์สือให้พ่อกูชื่อเล่นชื่อสือนะโดนซือโดนอาจารย์สือหลอกว่าสามชมมั่วโมงบรรลุธรรมจะเอาบ้าง สาชั่วโมงผ่านไปแล้วก็ไม่เลยเออฟังเขาบอกว่าเจ็ดวันนะเออเอาเนี่เอ า, เอาจริงๆริงเจ็ดวันก็ยังไม่บรรลุทํามเขาบอกว่าเจ็ดวันไม่รู้เอาเจ็ดเอาเจ็ดเดือนก็นแล้วกันเจ็ด <c oughs> เดือนไปแล้วก็ยังไม่บรรลุอีกเขาบอกเออเจ็ดปีก็แล้วกัน <c oughs> ตอนนี้อาม마ศรีร่มไทยปฏิบัติมายี่สิบห้าปีแล้วนะ <c oughs> เดเดือนก็ไม่รู้เจ็ดปีก็ไม่มันรล้ทําอันนั้นเป็นคำพังเพยพูดว่าเหมือนว่ามุ่งมั่นไม่ใช่เจ็ดเดือนเจ็ดปีไม่ใช่เจ็ดชาติไม่ใช่เจ็ดอสงไขยเราอย่าไปคาดกันในเรื่องเวลาพวกนี้เนะ่ะมันเป็นเยอะๆยยยยเยอเราฝึกมาเยอะมากแล้ว บางคนเขาสามชั่วโมงบางคนสามนาทีบางคนเจ็วันก็บรรลุอัาหันแล้วเนี่ยนะหนึ่งมันสะสมมาไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าบรรลุทำเร็วก็เป็นคนดีบรรลุทำช้าเป็นคนไม่ดีก็ไม่ใช่ไม่ใช่เก่งหรือไม่เก่งเจ้าชายศิทิธรรมยังยังต้องใช้ชาติสุดท้ายใช้เวลาหกพรรษาลองถูกลองผิดทรมานสังขารทุกรูปแบบนะแต่เป็นหกพรรษาที่ไม่มีลูล่วงแม้แต่หนึ่งนาทีนะ คือเทชีวิตให้ไปเลยนะถ้าอย่างนี้สู้เนรบดิดไม่ได้นะเ็ดขวบบวชแค่แปดวันบรรลุธรรมแล้วเอาเปรียบพระพุทธเจ้าพระเจ้า ก, ก็ยังสู้สาวกภริยะฟังธรรมแค่ครั้งเดียวเนี่ยไม่ถึงสามมิบรรลุธรรมเนี่ยมันไม่ใช่แข่งเรื่องนั้นคือจิตที่เขาต้องมาสร้างบา ร, รมีเขาต้องสะสางทั้งหมดเนี่ยนะแล้วมีใครที่ยิ่งใหญ่เหมือนพระพุทธเจ้าหรอพระองค์เป็นเจ้าแห่งพุทธ มันไม่เหมือนกันอย่าไปเปรียบเทียบเหมือนทางโลกจบไวก็ถือว่าเก่งจบชา้าไม่เก่งไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่สูตรสาเร็จเราชอบก๊อปปี้ไงชอบเรียนแบบกันเขาทำอะไรก็ไปทำเหมือนเขาจิตมันไม่ถึงไปไหนไงนะมาดูตัวเองว่าตัวเองเอาจริงไหมศรัทธาตั้งมั่นจริงไหม บางคนไม่ศรัทธาก็ไม่มาไงเออศรัทธาอยู่ศรัทธามีแค่ห้าเปอร์เซ็นตแต่กิเลสมันเก้าสิบห้าเหรหต้องเพิ่มศรัทธาไปเรื่อยๆจนมันเต็มร้อยไม่มีรูรั่วเลยนั่นแหละกิเลสมันก็หลอกเราไม่ได้ไงเมื่อแต่เอาอาหารให้กิเลจิ้มไดเรื่อยศรัทธาก็อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงจนถูกมันกินหมดเลยอย่าไปโทษใครนะมันไม่ได้เป็นเพราะวิธี ไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่ไม่เกี่ยวกับครูบาอาจารย์ผู้เจ้าล็อกไว้หมดเลยอย่าพึ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เราอย่าพึ่งเชื่อตำลาอย่าพึ่งเชื่อคำเล่าขานอย่าพึ่งเชื่อที่ทํตามตามกันมาเห็นไหมมันเป็นศาสนาเดียวที่กล้าพูดแบบนี้พระองค์ไม่ได้คุมถุงชนพระองค์ไม่ได้กลัวว่าคนจะไม่นับถือพระองค์พระองค์ไม่โกหกเรา ไม่อยากจะหลอกสร้างมวลชนเยอะๆเป็นศาสนาเดียวที่บอกว่าอย่าพึ่งเชื่อแต่ก็อย่าพึ่งปฏิเสธต้องปฏิบัติด้วยตัวเราเองปฏิบัติจกยกแยกๆย ก, ยกๆทำไม่จริงไม่จังแล้วก็จะไปหวังว่ามันมันรู้ทรรเนี่ยอันนี้คือทางสายกลางต้องมีขันติเห็นไหม ต้องมีศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาส่วนมันจะช้าเร็วเร็วเลยก็แล้วแต่มันมันไม่มีสูตรสาเร็จแต่นี่คือทางสายกลางที่ทุกคนทาได้แต่อย่าไปเรียนแบบทำไมพ่อครูไม่สอนวิชาสามชั่วโมงมาลู้ธรรมเลยทุกคนไม่เสียเวลาอย่างนี้นะก็มันไม่เหมือนกันไงไม่ใช่มามาปุ๊บเนี่ยก็เอาวิชาเดียวกันสอนเป็นหุ่นดนอย่างนั้น มันก็ได้แค่ปฏิบัติได้ติดวิธีนะมันมีนานๆครั้งก็มีดวงจิตหนึ่งก็บรรลุทำทุกวิธีเหมือนกันบางคนไม่ปฏิบัติเลยก็บรรลุได้ไงไม่เกี่ยวกับวิธีนั้นดีวิธีนี้ไม่ดีสำคัญว่าเอาจริงไหมตั้งมั่นจริงไหมใช่ไหมบางคนก็ตั้งมั่นอยู่เวลาเอาจิงเนี่ยอันนี้ก็เป็นการทำดีขัดเก้าจิตด้วยนะ อ, ออกด้วยนะการที่เรากําลังจเจริญมรรคจิตนี่เราไม่ได้ไปตีหัวใครเลยไนงะแเราก็ดีไงแต่ออกไปพวกก็ไปขโมยทําชั่วด้วยเนี่ยอันนี้ก็ชักขยี้ไงมันล่วงไงเหมือนเราเป่าลูกโ ป, ป่งเป่ากําลังจะระเบิดแล้วเนี่ยเผลอพวกอะไรนะแฟบเผลอไปทํากรรมชั่วเหมือนเราเอาเข็มไปแทงมันป้องแล้วมันนั่งเป่าใหม่ อันนี้ตัวใครตัวมันนะอย่าไปโทษไม่เป็นเพราะใคร่เป็นเพราะเราเองผู้เจ้าบอกอัตไหอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนคูบาจานเนี่ยท่านมีหน้าที่เตือนสติชี้ทางให้แต่ผู้เจ้าเองเดินทางแทนเราก็ไม่ได้ไม่มีทางนะแม้กระทั่งสิ่งที่โป่งหลงเหลือไว้ให้เราเนี่ยนะตอนนี้เหลือเรื่องาศาสนา แต่อุบายวิธีในศาสนาก็มีหลากหลายนะแต่เขาก็บอกว่ากคุณพระยังก็เล่าว่าเออสิ่งที่ควรกราบไหว้คือหนุนพระพุทธรูปหนึ่งเจดีย์หนึ่งพระบรมสารีริกธาตุหนึ่งอะไรๆพวกนี้อันนี้เป็นแค่อุบายวิธีเป็นสารณะอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราไปหลงมันเมื่อไหร่เนี่ยมันก็แป๊กเรื่องพระพุทธรูปเรื่องเดียวเนี่ยนะตอนนี้ทะเลาะกันสายหนึ่งนี่เขาแรงมาก ก็บอกพวกพวกหลงงง่ายไปไหว้พระอิฐพระปูนไปไหว้ก้อนทองเหลืองเนี่ยนะอันนี้ก็แรงไปแต่พวกไหว้แล้วก็ไปหลงจริงๆว่าเหมือนเราไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ปุ๊บก็ขอถูกระวันที่หนึ่งไหว้ก็พูดทีเจ้าช่วยหน่อยหนึ่งนะไม่เคยคิดช่วยเหลือตัวเองเลยอันนี้ก็หลงไงแต่ที่เรามีสั ญ, ญลักษณ์ตรงนี้พระพุทธรูปนี่เหมือนสั ญ, ญลักษณ์นะ เพื่อให้เราลึกะลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่รู้ตื่นเบิกบานเป็นสารณะเป็นที่ยึดเหนี่ยวว่าเราเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระองค์ปฏิบัติพ้นทุกข์ได้จริงเราไหว้พระอุมสารีกธาตุเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ว่ายในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วขอโนอนขอนี่ขอนั่ยคือเพิ่มกิเลสไม่ไม่ก็ต้องขอเพียงแต่ว่าเออไหว้แล้วเตือนสติตัวเอง เรามีหน้าที่ทำให้เราเนี่ยทำให้กระดูกเราเป็นพระาธาตุให้ได้ไม่ใช่ไปพึ่งพระาธาตุให้ท่านมาช่วยเหลือเราถ้าพระองค์ทำได้เนี่ยพระองค์ปลดปล่อยมนุษย์ไปตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วพระองค์ไปเห็นความจริงว่ามันเป็นดอกบัวสีเหล่ากรรมไขกรรมมันบุญไรบุญมัน แต่ประเพณีทางศาสนาเนี่ก็ไม่สร้างอุบายวิธีแต่งทุงวันนี้เนี่ยอุบายก็ปรุงแต่งปรุงแต่งทาสีไปจนเละเลือนไปหมดเลยที่พวกคุยเคยเกล่าวพูดเล่นๆนะนะไม่ใช่พูดจริงว่าถ้าผู้ที่เจ้านี่ต้องกลับชาติมาเกิดเนี่ยพระองค์จะจําศาสนาพราะองค์ไม่ได้เพราะมันระบายสีจนอะไรไปไม่รู้ทุกคนก็ไปติดบ่วงเรื่องพวกนี้ไงติดบ่วงเรื่องพิธีกรรมติดเรืองเรื่อง ทำบุญจะไปขึ้นสวรรค์ติดบวงเรื่องกราบไหว้พระรู้เจ้าในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนต้านนะพูดอย่างนี้ได้ยังไงพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้ยุคนี้เราศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยนะยุคเราเนี่ยเหาะเหินเดินอากาศได้จากกรุงเทพบินมาอู่บนชั่วโมงหนึ่ง คุยฝรั่งเศสคุยจะนี่ ห, หูทิพเหลอรู้เรื่องเห็นไหมมองโทรทัศน์เนี่ยมันแสดงละครที่โตเกียวเราก็เห็นเลยไงตาทิพ ไ, ไม่เห็นเราพ้นทุกข์ซะหน่อยหนึ่งถ้าใครกราบไหว้พระเจ้าในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อคูถือว่าไม่เข้าใจพระองค์แล้วดูถูกพระองค์ด้วยพระองค์ยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คําสอนพระองค์ทําให้เราพ้นทุกข์ได้จริงถ้าเราทําจริงพ่อครูเอาชีวิตพ่กครูยืนยัน เพราะกูเริมนับถือบูชายี่ห้าปีแล้วเพราะคำว่านับถือนั่นมันยากไปบูชาถวายชีวิตไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ไม่งั้นจะมาอยู่ในป่านี้ยี่สิบห้าปีเนี่ยทำอะไรอยู่ถ้าบางคนบางคนไม่มาเห็น้าไม่มองอะไรลึกซึ้งนะ่ะก็อ้างโน่นอ้างนี่แล้วตัวเองก็ไม่ก้าวหน้าไม่รู้อ้างทำไมแล้วตัวเองไม่ก้าวหน้าแล้วก็พลาดโอกาสในการเห็นความจริงว่าศูนย์ทอะไรอยู่ มาถึงขนาดนี้มันทำเล่นได้เลยพวกครูหนีมันมาไอ้เรื่องมายาต่างๆนะพวกครูหนีมันมาแต่ไม่ใช่บอกทุกคนต้องทำอย่างนั้นคนเราสร้างเหตุมาไม่เหมือนกันนะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะการทำหน้าที่คือหนทางมุ่งสู่ความหลุดพ้นการประกอบอาชีพการทำหน้าที่ที่เราสร้างเหตุมาก็เป็นการปฏิบัติธรรม แต่ต้องทำอย่างตั้งมั่นอย่างระวังสมรวมระวังไม่ใช่ทำเพื่อสนองกิเลสอันนั้นละ่ะมันไม่ใช่ทางพ้นทุกอันนั้นเป็นทางเพิ่มทุก์นะผู้เจ้าไม่ได้สอนให้เราขี้เกียจ น, นะพระองค์สอนให้เราวิริยะต้องขยันแต่ข้าขยันแบบโง่ๆไม่สำเร็จนะขยันเพื่อสนองความอยากแล้วนั่นนรกอยู่ข้างหน้า ไปถามหาการพ้นทุกข์และก็ความสุขไม่มีเราจะไม่เจอความสุขเลยเราเจอแต่ความสะใจความสะดวกสบายความพึงพอใจเท่านั้นเองนะจริงๆแล้วเนี่เราบุญเยอะมากเกิดมาในเมืองไทยเจอในหลวงองค์ปัจจุบันไม่มีเรา ใ, ในหลวงองค์ไหนในโลกนี้เนี่ยที่ท่มเทเสียสละขนาดนี้และที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก ได้มาเจอพระพุทธองค์คำสอนพระองค์แต่เราไม่มีเวลาศึกษาเราไม่มีเวลาเพราะเราจนเวลาบางคนรวยเงินแต่จนชีวิตชีวิตคือเวลานะพระครูอายุหกสห้าอายุนี่คือเวลาลุงแดงตายลุงแดงอายุเก้าสิลุงดงตายอายุ8ปดสิบอายุคือเวลา ใครมีเวลาให้กับตัวเองที่สุดคนนั้นรวยชีวิตที่สุดทุกวันนี้เรารวยเงินแต่เราจนชีวิตเห็นไมทำไมจิตอาสาที่ศูนย์นี่มีความก้าวหน้าเพราะเวลาทั้งหมดเป็นของเรา24ชั่วโมงเราเนี่ยเรากวาดใบไม้เราถูห้องน้ำเราดูแลญาติทราที่มาเนี่ย เราเป็นเศรษฐีตัวจริงเวลา24ชั่วโมงเนี่ยของเราทั้งหมดเลยเป็นเวลาสร้างทานบา ร, รมีสร้างวิปัสนาบา ร, รมีเป็นเวลาเจริญมรรคนี่นหะคือเศรษฐีตัวจริงทุกวันนี้ไม่มีเศรษฐีมีแต่คนรวยไม่มีเศษส่วนเกินที่จะสร้างบา ร, รมีเลยเศรษฐีตัวจริงในพุทธการคือนางวิสาขาทุกวันนี้ให้ไม่ได้ไงเพราะฉันยังไม่พอ ไม่มีเสียถีมีแต่คนเงินเยอะเท่านั้นเองใช่ไหมนั่นแหละรวยชีวิตรวยชีวิตไม่ใช่เรื่องชาติเดียวนะตายแล้วสิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยมันไปต่อยอดแต่รวยเงินอ่ะบาทหนึงก็เอาไปไม่ได้เห็นไหมเขาเผาเผากงเต๊กเผาไ้เงินเทียม เ, เงินอะไรก็ไม่ทําไมไม่กล้าเอาเงินจริงไปเผาไงถ้ารักจริงไง เอาเงินจริงไปเผาเลยก็เงินของเขาไงอู้รัก ม, มากร้องไห้กันเลยจะเอาเงินเทียมมารถเบนเทียมไปเผา ไ, ผาไงมีแต่สร้างภาพกันนะที่นี่เหมือนกันนะคนชอบสวดมนต์ก็สวดไปดีแต่สวดให้มันเป็นนะอย่าสวดให้มันเสียเวลาเฉยๆยถาธรรมบางคนก็ไปติดมาพ่อครูนี่ที่นี่พรอครูแผ่เมตตาไหม ไม่ครูบาอาจารย์เขาทำเารักษาไปเพณีดีๆก็ทำไปแต่เพราะครูยี่สห้าปีไม่เคยแผ่เมตตาเลยบางคนแผ่เมตตาเป็นชั่วโมงโอู้เสียงก็เพอะๆนะอัดเทไปไว้ฟังในี่ซาบซึ้งมากเลยออกไปเขาเหยียบขาเดดนึงไปด่าเขาแล้วเนี่ยไม่มีเมตตาเลยมันจะแผ่ไปทาไมมิจะแผ่ลมปากมิจะพูดแต่ปากเมตตาเลยที่นี่เมตตาทุกวันต้องเมตตาทุกนาที ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่มีแต่แพ่มีแต่พูดติดรูปแบบไงปฏิบัติธรรมก็ไปติดรูปแบบให้มันขังให้มันสวยงามให้มันสำรวมก็ไปหลงติดคำว่าสำรวมสำรวมไม่ได้ไปว่าเรียบร้อยหรือมีมารยาทนะสำรวมไปว่าระวังไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นอย่างเราเต้นเต้นเต้ตตเ้นเนี่ย เขามาขโมยถ่ายวิดีโอเราบอกเฮ้ยมันไม่สำรวมเลยพ่อขวังผู้ถามันมันตีหัวใครไหมอรหันต์ชี้โกงกินเหล้ากินเนื้อสัตว์เลยไม่สํารวมไม่สํารวมเดี๋ยสํารวมมากเลยท่านไม่เคยคิดที่จะเบียดเบียนใครนะถ้ามีเมตตาสูงมากไม่แต่ช่วยคนเราไปเข้าใจภาษาผิดว่าสํารวมเนี่ยต้องเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้เดี๋ยวพ่อกูวางฟองบ้างสํารวมนะเดี๋ยวปุ๊บตัดชุดใหม่เลยให้มันราคาเป็นแสนนะ่ะ นะแล้วก็พวกคู่ไปอาบน้ำแรกชุบ น, น้ำน้านมนะนะแล้วก็รอๆสวยๆแล้วก็ไปนั่งนะแล้วก็ดัดเสียงหน่อยๆ ห, หนึ่งพูดดูหวานหานเลยแต่ว่าโกหกพวกเรานี่เนี่ยไม่สำรวมอย่าไปติดแค่รูปแบบข้างนอกนะกรมชี้เจตนาอยู่ที่เจตนาของเรานะก็ไม่ใช่มีคำถามมีคน เอาไปหยอดกล่องเมื่อกี้ใครเอามาให้พ่อครูอันนี้อ่านให้ฟังเฉ ย, ยๆแล้วก็จบเดี๋ยวจะได้ไม่ได้ปฏิบัติกันด้วยความศรัทธาในธรรมที่พ่อครูมีและสอนการเต้นทั้งหมดเป็นท่าหนีทุกข์ เมื่อเพื่อเขย่าธาตุรู้เกิดเพื่อถ่ า, ทาธทอดรู้ให้มันเกิดสมาธิหลุดนี่วไดวงเล็บหลุดออกจากความคิดที่มีความโลภความโกรธความหลงคุมอยู่เกิดพลังมากจิตเกิดปัญญารู้ไตรลักษณ์ได้อย่างมหาสัร์ร การอยู่ในศูนย์พลานคอยความรู้สึกของแม่ชีช่วงนี้คือสวรรค์นบนดินค่ะแม่ชีขอปฏิบัติด้วยความบูชาในพระคุณของพระครูโอเครู้ว่าแม่ชีก็พอไม่ต้องรู้ชื่อว่าใครก็บอกแค่นั้นไม่ใช่คำถามเขาเรียกว่าคำอะไรพูดความรู้สึกให้เราฟัง คนปฏิบัติได้ก็ได้คนปฏิบัติไม่ได้ก็มีมันไม่มีสูตรสําเร็จนะวิธีการเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือวิธีการดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าคนทําไม่ดีคนทําดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าเป้าหมายในการทําไม่ดีถ้าเราไม่มีนิพพาน เ, นเป็นเป้าจริงๆครับว่าจริงๆนะ ไม่ใช่พูดแต่วาจาเฉยๆเนี่ยนะเราจะถูกมารมันหลอกมันจะอ้างโน่นอ้าง น, นี่นะแต่ถ้าเรามีจิตบริสุทธิต์ตั้งมั่นจริงๆแล้วเนี่ยนะคือเรียกว่ามีศรัทธาตั้งมั่นโทัทุรีก็บสิ่งที่เราทําเดี๋ยวปัญญาที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องมาขอครูบาอาจารย์นะมันจะแสดงตัวเองจิตเราเมีปัญญามหาศาลเขาผ่านมาหลายภพหลายชาติแล้ว แล้วเขาจะบอกจิตปัจจุบันแต่ถ้าเราทําอะไรยังเกิดไม่ตกจริตไปมองถูกต้องผิดอะไรอ้างนวนอ้างนี้แล้วเนี่ยมันไม่ก้าวหน้ายังคิดอยู่หาคําตอบอยู่ความคิดมันจะบล็อกปัญญาไว้ในทางโลกนะความคิดที่เฉียบแหลมเนี่ยจะทําให้เราเกิดเ อ, อ, อะไรล่ะความฉลาด แต่การตื่นรู้เนี่ยเกิดขึ้นจากเวลาเราเลิกคิดจะให้เราเกิดปัญญานะทำไมต้องเต้นทําไมต้องเขยา่าตรงๆเลยนะสุนัขมันนอนอยู่นานๆเนี่ยถ้าเราคอยสังเกตมันนะเราสังเกตสัตว์หน่อยนึงเมื่อกี้แมวมันมาทำไมเนี่ยถ้าเราไม่เห็นจิตมันาไม่รู้ออกมาทําไมพอสุนัขมันลุกขึ้นมาในงานแรกมันทําอะไรมันยืดเส้น แล้วมันก็เช็คยิงมันก็สั่นสั่นสสส่เห็นไหมมั น, น, นทำอะไรก็ร่างกายตึงเครียดมันก็ผ่อนคลายความเครียดนี้เป็นตรงๆเลยแล้วเช้ามืดมันเห่ามันหอนมันก็ผ่อนคลายอารมณ์มันจึงไม่เป็นมะเร็งเของเราเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ไปยืนสั่นเนี่ยมันอายเขานะเสียบุคลิกภาพมันไม่สํารวม เห็นไหมจะหัวร้องแรงก็เฮ้ยไม่ได้นะเสียมารายาทอัดอันตั้งใจจะร้องออกมาแรงๆเฮ้ยไม่ได้เขาจะว่าเราบ้าแล้วมันจะไปไหนล่ะร่างกายก็ตึงเครียดอารมณ์ก็เครียดโรคภูมิแพ้มันก็มาโรคเมล็ดมัก็มาไงแต่ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็ผ่านไปเมื่อเรารู้แล้วนะ แก้ที่ต้นเหตุของมันขย่าวตัวเองผ่อนคลายความเครียดทั้งร่างกายจิตใจกายฟิต จ, จิตเฟิรม์มอารมณ์ดีชีวีมีสุขนะก็บอกข่าวอย่างหนึง่งนะปีที่แล้วพราครูลองดูก็ได้ผลบางคนยังติดหน้าตาติดอะไรอยู่ สั่นก็สั่นไม่เต็มที่สงการนี้วันที่สนะิบสามเราทำพิธีสงพระแล้วก็มีพระป่าประจำปีเราเป็นปกติวันที่สิบสี่เราจะมีปาร์ตีนะ้แฟนซีปาร์ตี้ <c oughs> ทุกคนเตรียมตัวได้นะเมื่อปีที่แล้วมีคนต่อว่าพ่อครูว่าไม่บอกล่วงหน้าก่อนมาจาัดอะไรบางจะได้เต็มที่เลยบอกว่าพ่ะครูยังไม่รู้เลยว่าจะจัด ลองดูเอาวัตถุดิบที่เรามีอยู่แล้วนะก็ยังดูดีเนาะปีนี้บอกลงหน้าเลยนะแต่งแบบไหนก็ได้ที่ให้คนอื่นเขาจำเราไม่ได้และเราต้องรืมว่าตัวเองเป็นใครจัดปาร์ตี้กันอยู่ในศาลานี่นะเป็นธรรมะปาร์ตี้เป็นแฟนซีเนาะเราจะได้รู้สึกอารมณ์ว่า มีญติที่ทำก็นะปฏิบัติพระกูุพอสมควรแล้วเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ต้องรักษารูปร่างหน้าตาอะไรปฏิบัติเนี่ยก็ใครยระดับหนึ่งพอปีที่แล้วเนี่ยวิ่งไปบอกคูโก้ทาหน้าเต็มเลยเลยเขามั่นใจว่า ม, มีใครจังเขาได้เขาออกเต็มที่เลยก <c oughs> ็บอกเกิดมาไม่เคยอิสระขนาดนี้เพราะเราติดหัวโขนไงมันเป็นอุปทานอย่างหนึ่งนะ แต่ไอการที่เราจัดตรงนี้เล่นๆนะอย่าไปซีเรียสกับมันนะเหมือนเป็นการสร้างอุปทานใหม่มาล้างอุปทานเก่าแล้วไม่งั้นไม่กล้าเต้นเต็มพี่นะบางทีต้องลองทำอะไรที่ชีวิตนี้เนี่เราไม่เคยทำต้องทวนกระแ ส, สกิเลสเราบ้างปล่อยวางโขนขนบ้างนะอันนี้ก็คือเป็นการบอกข่าวและเหลือเวลาช่วงเวลานี้เราก็ปฏิบัติต่อนะก็สุดท้ายนี้ก็อขออาราธนาคุณพระศีรัตนตรัย